เวนมีเรื่องที่คนพูดถึงมากอีกเรื่องหนึ่งคือเวนเวรเวลาถูกความทุกข์ทรมานไม่รู้จักสังซาความวัวยังไม่ทันจะหายความควายก็จะมาเล่นงานเขาอีกคนมักจะอุทานว่าเฮ้อไม่รู้ว่ามันเวนกรรมอะไรคู่ครองที่คอยแต่จะพลานความสุขเจอหน้าเข้าทีไร มีแต่แยกเคี่ยวยิงฟันคอยแต่จะห้ามหันทุกเช้าเย็นงานการไม่ทํามีแต่เคี่ยวเขียนจะเอาเงินไปบําเรอ น, นอกเรื่องคู่ชนิดนี้ไม่ใช่คู่สร้างแต่เรียกว่าคู่เวรลูกที่เกิดมาแล้วมีแต่จะผานพ่อผานแม่เมื่ อ, อยังเล็กก็แสนจะเลี้ยงยากโตขึ้นก็แสนจะเกเรพ่อแม่ต้องตามไถ่าตามประกัน ไม่รู้จักสิ้นสุดยุติเลยลูกอย่างนี้ชาวบ้านเรียกว่าลูกเวนคนเฒ่าคนแก่ทําบุญแล้วตรวจน้าแผ่ส่วนบุญให้เจ้ากรรมนายเวนคนปากร้ายชอบตะคอกเอากับคนอื่นที่ก่อความเวียนหัวให้บ่อยๆว่าไอ้เวนเวนกับพยาบาทต่างกันอย่างไรน่าจะอธิบายเสียในตอนนี้ เพราะความหมายใกล้กันมากทั้งทางศึกษาทั้งทางปฏิบัติอีกอย่างหนึ่งคำว่าเวนไม่มีในธรรมะหมวดใดเลยไม่ว่าในหนังสือนวโกวาดหรือธรรมวิภาคหรือธรรมวิจารไม่เหมือนกับพยาบาทซึ่งมีอยู่ในหมวดธรรมทั้งหลายฉะนั้นจะคอยศึกษาเรื่องเวณในหมวดธรรมจึงไม่มีโอกาส คำว่าเวนมีมาในพระบาลีในรูปพุทธภาษิตคือไม่เป็นข้อธรรมหรือข้อกิเลสแต่เป็นคำที่พระพุทธเจ้าตรัสถึงในลักษณะของคำภาษิตตังเช่นในคำพีปัญจการนิบาชาดกคุตการนิกายตรัสว่าเยเอวังอุปนัยหันติเวรังเตรั่งนสัมมติเวนของผู้จองเวน ย่อมประ ง, งับไม่ลงเยเวรังนูปนัยหันติเวรังเตสู้ปัสมมติเวนของผู้ไม่จองเวนย่อมระ ง, งับได้ในคำพีอุปริปั น, นาตมัชิมนิกายตรัสว่านาหิเวเรนาเวรานี้ซัมมันติทากูดาจันังในการไหนไหนเวในโลกนี้ ย่อมระ ง, งับด้วยเวรไม่ได้เลยในคำพีอื่นๆยังมีอีกมากจากพระพุทธวจนะามข้อที่ยกมานี้ส่องความให้เราเห็นเรื่องของเวรหลายอย่างเช่น 1. เวรจะเกิดขึ้นได้จากการจองเวรเท่านั้น 2. เวรจะระ ง, งับลงได้ด้วยวิธีการอย่างเดียวคือเลิกจองเวร 3. ฝ่ายที่ไม่จองเวรย่อมเป็นฝ่ายระงับเวรได้ส่ทรงยืนยันเด็ดขาดว่าไม่ว่ายุคใดสมัยใดเวรจะระงับด้วยการจองเวรไม่ได้ไม่มีข้อยกเว้นเป็นอย่างอื่นเราจะต้องค้นหาความรู้ในเรื่องเวรนี้เพิ่มเติมอีกเพื่อให้ได้ผลทางปฏิบัติในประเด็นเหล่านี้คือเวรคืออะไร ทำอย่างไรจึงจะระงับได้เวนเป็นเรื่องการผูกใจเหมือนกับพยาบาทคือเวนก็ผูกพยาบาทก็ผูกแต่ผูกเวนกับผูกพยาบาทผูกต่างกันผูกพยาบาทคือผูกใจที่จะแก้แค้นผูกเวนคือผูกใจที่จะเป็นคู่ล้างคู่ผลานโปรดสังเกตข้อความข้างบนนี้ให้ดี แล้วจะเห็นความแตกต่างระหว่างเวนกับพยาบาทคือผูกพยาบาทนั้นเจตนาของผู้ผูกมีขอบเขตเอาความแค้นของตัวเป็นต้นทุนแล้วก็ประเมินราคาความแค้นนั้นไว้การผูกใจที่จะทําลายเขาก็ผูกใจไว้แต่เพียงว่าจะทําให้เขาเสียหายพอคุ้มกับความแค้นเท่านั้นได้ทําคุ้มกันแล้วก็จะเลิก บางคนใช้แลกความเสียหายกันเลยก็มีคือเอาความเสียหายกับความเสียหายวัดกันเช่นเขาฆ่าพ่อเราเราจะฆ่าพ่อเขาเขาเผาบ้านเราเราจะเผาบ้านเขาเขาฟันหมาเราเราจะฟันหมาเขาเขาใส่ร้ายป้ายสีเราเราจะใส่ร้ายป้ายสีเขานี่แลกความเสียหายกัน เขาทำให้เราเท่าไหร่ขอให้เราได้ทำให้เขาเท่านั้นก็จะเลิกกันบางคนไม่แลกความเสียหายอย่างนี้แต่เอาความเจ็บใจเขาแลกก็มีเขาทำเราวิธีนี้เราปองทำเขาวิธีอื่นเช่นเขาด่าเราแต่เราพยายามจะแก้แค้นโดยวิธีตีหัวเขาหรือบ้วนน้ำลายประชดเขาหรือด้วยวิธีอื่นๆ เพียงแต่ว่าให้เขาเจ็บใจเหมือนกับที่เราเจ็บใจแล้วก็จะเลิกรวมความว่าการผูกพยาบาทนั้นผู้ผูกเอาความแค้นของตนขึ้นตั้งหรือพูดอย่างนักธรรมหน่อยก็ว่ายึดความเจ็บแค้นของตนเป็นอารมณ์มีเงื่อนไขว่าเมื่อล้างแค้นในใจตัวหมดแล้วก็จะเลิกส่วนการผูกเวรไม่อย่างนั้นเมื่อตัวเกิดขัดใจแล้ว ก็ปูกใจไว้ว่าข้าจะขอเป็นคู่ล้างคู่ผลานกับแกตลอดไปไม่ว่าจะเจอแกในรูปใดจะผลานแกให้ย่อยยับอย่างไม่มีเงื่อนไขใดๆเลยไม่มีที่สิ้นไม่มีที่สุดไม่มีขอบเขตใดช่องเป็นต้องผลานไม่มีคําว่าสาสมแล้วไม่มีคําว่าเลิกแล้วไม่มีคําว่าคืนดีกันใหม่ ขออุทิศดวงวิญญาณเป็นคู่อริกันทีเดียวอย่างนี้เรียกว่าผูกเวรรวมความว่าผูกพยาบาทเป็นการจองผ่อนที่มีขอบเขตส่วนผูกเวรเป็นการจองผ่อนตลอดไปไม่มีขอบเขตและเงื่อนไขใดๆทั้งสิ้นคนมีเวรท่านเรียกว่าเวรีแปลงเป็นภาษาไทยว่าไพรีแปลว่าผู้มีเวร เสร็จไปปัญหาหนึ่งที่ว่าเวรคืออะไรทีนี้ปัญหาที่2เกี่ยวกับการระงับเวรเราจะระงับเวรได้โดยวิธีใดจริงอยู่พระพุทธองค์ตรัสไว้แล้วว่าเวรจะระงับได้ทางเดียวคือไม่ผูกเวรแต่เราก็จะต้องศึกษาความหมายของพระพุทธธรรมรัติ์อีกทีหนึ่งจึงจะทราบทางปฏิบัติเห็นจะต้องย้อนหลังอีกนิด คือเราต้องพิจารณาก่อนว่าเวนตั้งอยู่ได้ด้วยเหตุใดแล้วจึงจะรู้ว่าจะพังทลายมันได้โดยวิธีใดคล้ายๆเราจะดับไฟถ้าเรารู้เสียก่อนว่าไฟนั้นไม่อยู่กับอะไรไม่ฟืนหรือไม่น้ำมันแล้วเราค่อยคิดหาวิธีดับจึงจะดับได้พอเหมาะพอดีฉะนั้นเราว่ากันเรื่องเวนเสียอีกหน่อย เวนนั้นเกิดขึ้นจากการผูกเวนที่ว่าผูกเวนก็คือตั้งใจนั่นเองไม่ต้องมีพิธีรีตรองอะไรมากแต่ว่าเป็นความตั้งใจที่เอาจริงตั้งใจเด็ดเดี่ยวตั้งใจอย่างแรงกล้าจนเจ้าตัวไม่สามารถจะสลัดความตั้งใจนั้นให้ลบเลือนไปได้ไง่ายๆหรือจะพูดว่าแผลในใจก็เห็นจะได้แรงจนกระทั่งว่ายอมขายตัวหรือ ลดตัวลงเป็นคู่ล้างคู่ผลนกับเขาเวรเกิดขึ้นอย่างนี้และเกิดขึ้นแล้วอยู่ตรงนี้คือเกิดที่ความตั้งใจแล้วก็ปรากฏว่าอยู่ในใจไปถึงไหนเวรก็ไปถึงนั่นใจที่มีเวครคล้องไว้แล้วย่อมถูกดึงเข้าไปสู่จุดที่ผูกเวรไว้นั้นอย่างเช่นคนสองคนมีเวรต่อกันทั้งสองคนเป็นชาวเชียงใหม่ ครั้นต่อมาอีกคนหนึ่งย้ายไปอยู่สงขาคนที่เป็นคู่เวรกันจะรู้สึกว่าไม่สบายใจเพราะไม่มีทางล้างผลาญกันคือเว้นแต่การที่อีกฝ่ายย้ายไปเสียนั้นเป็นการล้างผลาญสมใจตัวแล้วแกจะต้องดิ้นรนขาทางให้ตามไปอยู่จุดใดจุดหนึ่งที่จะได้ล้างผลาญคู่เวรได้ จะเป็นว่าได้ตามไปอยู่สงขาด้วยกันหรือได้ย้ายเข้าประจํากระทรวงในตําแหน่งที่จะได้เล่นงานเขาได้ก็แล้วแต่จึงจะสบายใจรวมความว่าเมื่อมีเวรแล้วแยกกันไม่ออกต้องได้ร่วมกันแล้วร่วมกันก็ผ่านกันเสียอีกสมกับที่ว่าเป็นเวรกันกากับนกเขา ผูกเวรกันมาตั้งแต่ครั้งพวกสัตว์มีการเลือกตั้งครั้งใหญ่ชิงตำแหน่งพยาศัตร์กันเกิดประทะกันในการลนรงหาเสียงเรื่องมันมีเท็จจริงไม่รับรองแต่พระอัตกถาจาราวว่าสองสัตว์นี้มีเวรกันเจอกันเป็นต้องตีกันแล้วก็ปรากฏว่ากากับนกเขาต้องร่วมป่ากันเสมอว่ากันว่า ถ้าป่าใดไม่มีกานกเขาก็จะกินไม่ได้นอนไม่หลับพังพรกับงูเหา่าเจ็บใจกันแต่หนหลังแต่ทั้งสองสัตว์ก็ชอบอยู่ในดงหญ้าแห่งเดียวกันครั้นเจอกันเข้าก็ล้างผลนกันจนเลือดโชกจนถึงตายคากันมีชาวบ้านว่าถ้าเห็นรูพังพรให้ระวังจะเจองูเหา่าเท็จจริงคอยสังเกตดู พระเทวทัตผูกเวรในพระพุทธเจ้าตั้งแต่ครั้นพระองค์เป็นพระโพธิสัตว์และค้าขายสินค้าอย่างเดียวกันตั้งแต่นั้นมาพระโพธิสัตว์เกิดในตระกูลใดเทวทัตก็เกิดไม่ไกลจากตระกูลนั้นในชาติสุดท้ายพระโพธิสัตว์เกิดในตระกูลกษัตริย์เทวทัตก็เช่นเดียวกันพระโพธิสัตว์ออกทรงผนวดเทวทัตก็โกนผมบวชตามบ้าง พระพุทธองค์เสด็จเมืองใดเทวทัตก็ยกขบวนตามดักหน้าดักหลังผัวเมียบางคู่อยู่กินด้วยกันเหมือนมีเวรกันมาห้าร้อชาติผัวก็ด่าว่าเมียเลวเมียก็แช่งให้ผัวตายวันละพันครั้งแต่พอแยกทางกันไปได้ไม่กี่วันประเดี๋ยก็ต้องหอบมุ้งมาหากันอีกมาดีกันใหม่แล้วมุ้งยังไม่ทันจะคลี่ออกกลางนอน ก็เริ่มด่าแช่งกันอีกอย่างนี้เ ร, เรียกว่าคู่เวนเป็นคู่กันจนได้ทั้งทั้งที่แสนจะเกลิกขี่หน้าโดยกฎของเวนแล้วลงได้ปลูกเวนกันแล้วจะแคล้วกันไปไม่ได้เวนนั่นแหละจะเหนี่ยวผู้มีเวนให้บ่ายหน้าสู่คู่เวนเองสมกับที่ท่านใช้คำว่าผูกซึ่งเราพูดกันติดปากอยู่แล้วเพราะฉะนั้น ถ้าเราจะค้นหาคู่เวรของใครก็หาดูในที่ใกล้เคียงของคนนั้นหรือในระยะที่รัศมีของผู้เป็นเวรคู่นั้นแผ่ไปถึงเช่นถ้าเราเป็นผู้ปกครองประเทศใดคู่เวรของเราก็จะอยู่ในประเทศนั้นเราปกครองเขตตำบลใดคู่เวรของเราก็จะท่องเที่ยวอยู่ในเขตตำบล น, นั้นการค้าของเราเกี่ยวเนื่องไปถึงไหน คู่เวรของเราก็ชอบที่จะสัญจรอยู่ภายในเขตการค้านั้นหรือถ้าเราเป็นคนมีชื่อเสียงโด่งดังถ้าชื่อเสียงของเราแผ่ไปถึงไหนคู่เวณของเราก็วนเวียนอยู่ในเขตที่ชื่อเสียงของเราไปถึงนี่ยกตัวอย่างเพื่อให้ได้ข้อสังเกตในข้อที่ว่าเวณเกิดขึ้นแล้วมันตั้งอยู่ได้เพราะอะไรเมื่อพูดอย่างสรุปความพินาศแห่งชีวิต ยศซับชื่อเสียงและทุกสิ่งทุกอย่างของอีกฝ่ายหนึ่งนั่นแหละคืออาหารใจอันโอชาของผู้เป็นคู่เวรการระงับเวร น, นั้นจะต้องพิจารณาทางจิตใจโดยเฉพาะเพราะว่าเวรก่อรูปนี้ขึ้นในใจแล้วก็กินความพินาศของคู่เวรเป็นอาหารการพิจารณาต้องแยกตามลักษณะของการผูกเวรคือ ก็ไก่ทั้งสองฝ่ายผูกเวรกันและขอไข่ฝ่ายหนึ่งผูกฝ่ายหนึ่งไม่ผูกเวรที่ต่างฝ่ายต่างผูกคือทั้งสองฝ่ายต่างปฏิญาณที่จะเป็นคู่ล้างคู่ผานของกันเวรอย่างนี้ร้ายแรงมากอยากที่จะระงับลงได้การสิ้นสุดของเวรจะมีได้ต่อเมื่อฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งได้สำนึกตัว แล้วยกเลิกการผูกเวรเสียเท่านั้นแต่จิตที่จะสำนึกได้อย่างนี้ก็จำเพาะจิตที่อยู่ในภูมิสูงพอที่จะรู้สึกผิดชอบได้เท่านั้นถ้ามีเวรด้วยแล้วสร้างกรรมทำบาปมากมายด้วยจนจิตอยู่ในภูมิอันต่ำจิตก็อาภัพอับวาสนาหาที่สิ้นสุดลงได้ยากมากฉะนั้นคนผูกเวรจึงเป็นฝ่ายเสียเปรียบมาก ข้าพเจ้าอยากจะพูดว่าคนผูกเวนนั้นคือคนล้มละลายตัวเองจะว่าเป็นคนขายตัวก็จะเบาไปขายตัวมันยังดูได้บุญค่ามาตอบแทนบ้างต้องว่าเป็นคนล้มละลายตัวทีเดียวเพราะตัวเขาไปผูกไว้กับความหายนะ์อันหาที่สิ้นสุดได้ยากการผูกเวนประเภทขอคือผูกเวนข้างเดียว ฝ่ายคนผูกไม่พูดละเพราะมีลักษณะประเภทกอที่ว่ามาแล้วคือเป็นคนล้มละลายจะฟื้นตัวได้โดยวิธีเดียวคือเลิกเวรเสียเท่านั้นนี่สมมติว่าเราไม่ได้ผูกคนอื่นเขามาผูกเวรกับเราเราเองไม่รู้ตัวเสียด้วยซ้ำแล้วเราจะทำอย่างไรคนที่เราจะเอาเป็นแบบอย่างในกรณีนี้มีอยู่แล้วคือองค์พระพุทธเจ้านั่นเอง พะพระพุทธเจ้าได้ถูกคู่เวรติดตามจองล้างจองผลาญอย่างใกล้ชิดคู่เวรที่ว่านี้คือพระเทวทัตเราศึกษาจากเรื่องจริงทีเดียวว่าพระบรมครูทรงวางพระองค์อย่างไรในเมื่อตกอยู่ในเหตุการณ์เช่นนั้นเรื่องนี้ข้าพเจ้ายังไม่พบตำราที่ท่านรวบรวมไว้โดยเฉพาะแต่ถ้าสรุปจากบรรดาเรื่องราวที่เกี่ยวข้องพอจะประมวลลงได้ว่า 1. ไม่ทรงผูกเวรต่อพระเทวทัตเลย 2. ทรงแผ่เมตตาในพระเทวทัตและ 3. ทรงบำเพ็ญคุณธรรมไม่หยุดหย่อนจากพระพุทธจริยาดังกล่าวนี้เราพอจะน้อมมาเป็นหลักปฏิบัติได้ในเมื่อเราตกอยู่ในระหว่างผู้มีเวรคือมีคนคอยจองล้างจองผลานประการแรกที่สุด การไม่ผูกเวนคือไม่เอาตัวเข้าไปเป็นคู่เวนกันกับเขาเขาจะผูกเวนก็ช่างเขาเราไม่ผูกด้วยทําได้ดังนี้ทําให้เราปลอดภัยแล้วครึ่งหนึ่งการทําดังนี้บางคนจะเห็นว่าเป็นการเสียเปรียบปล่อยให้คู่อริมีเวลาเล่นงานเราทางเดียวที่คิดอย่างนี้ยังไม่ถูกเพราะการไม่ผูกเวนตอบเขานั้นเป็นการช่วยตัวเอง ให้คงเป็นตัวของตัวไม่ให้เป็นคนล้มละลายเหมือนเขานับว่ามีภาษีดีกว่าส่วนการป้องกันตัวที่จะไม่ให้คู่เวรทำลายเราก็ทำได้ไม่ผิดศีลผิดธรรมแต่อย่างใดตามธรรมดาคนที่อยากชกนั้นถ้ามีคนอื่นมาเป็นคู่ชกให้เขาก็จะชกได้นานเพราะมีเป้าชกแต่ถ้าไม่มีเป้าชกเลย ปล่อยให้ชกลมชกแง้งประเดี๋ยวก็เลิกชกการที่เราไม่เข้าเป็นคู่เวรกับผู้ผูกเวรก็เหมือนเราไม่เป็นคู่ชกให้ปล่อยเขาให้ชกลมดูไม่เท่าไหร่ก็หมดแรงตลอดเวลาที่พระเทวทัตติดตามห้ามผ่านพระพุทธเจ้าอยู่นั้นไม่เคยปรากฏเลยว่าพระพุทธเจ้าจะคิดร้ายตอบผลที่สุด เทวทัตก็สิ้นแรงถลาตกเวทีไปประการที่2การแผ่เมตตาคือการส่งกระแสจิตเข้าหาคนมีเวรโปรดระลึกอีกครั้งหนึ่งว่าการผูกเวรเป็นปัญหาทางจิตใจการส่งกระแสจิตที่ประกอบด้วยเมตตาของเราพุ่งเข้าใส่คนที่เป็นคู่เวรจะเป็นการคลี่คลายจิตของเขาคลายเวรที่เขาผูกไว จิตของเขาจะค่อยๆสางจากความมุ่งร้ายอย่างน่าอัศจรรย์นี่เป็นผลการแผ่เมตตาทางระงับเวรแล้วการแผ่เมตตาให้คนมีเวร น, นั้นเราจะได้ผลปล่อยได้อีกอย่างหนึ่งคือเป็นการบริหารจิตของเราเองให้เข้มแข็งขึ้นวิธีบริหารกําลังกายนั้นเขาต้องหัดยกของหนักตั้งแต่หนัก1นึ่กิโลสกิโล สามกิโลเพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นจนกระทั่งหนึ่งร้อยกิโลกรัมหรือกว่านั้นที่เขาเอาของหนักมายกก็เพื่อเพิ่มกำลังกายให้ตัวเองการแผ่บริหารจิตด้วยการแผ่เมตตาก็เหมือนกันแผ่เมตตาให้ตัวเองเท่ากับดัดตัวมือเปล่าแผ่เมตตาให้คนที่ตัวรักเท่ากับยกของหนักพอประมาณ แผ่เมตตาให้คนทั่วไปเท่ากับยกของหนักปานกลางแผ่เมตตาให้คนผู้มีเวรเท่ากับยกของหนักอย่างที่สุดแล้วฉะนั้นคนที่สามารถแผ่เมตตาให้คนมีเวรได้จิตใจจะเข้มแข็งเยือกเย็นมั่นคงอย่างพอตัวทีเดียวหาไม่แล้วจะทำไม่ได้เวลามีใครผูกเวรเราให้นึกเสียว่า เราได้เครื่องมือบริหารจิตแล้วพยายามทําให้ได้การที่คนเท่าคนแก่กรธน้ําแพ่ส่วนกุศลให้เจ้ากรรมนายเวนั้นก็เป็นการฝึกจิตของตนเองได้อย่างดีเป็นส่วนหนึ่งของเมตตากรุณาที่จะระ ง, งับเวรลงได้สําหรับองค์พระศาสดาของเราตามหลักฐานยืนยันว่าทรงแผ่เมตตาไปอย่างพระเทวทัศ น, น์นายขมังธนู ช้างนาราคิรีและพระราหุลคือพระโอรสของพระองค์ได้เสมอกันพระองค์เป็นยอดของผู้มีกำลังใจแล้วการแผ่เมตายังควรจะแสดงออกทางวาจาและทางการกระทําด้วยจงพูดถึงคู่เวรด้วยความหวังดีคำพูดและการกระทําอันประกอบด้วยเมตานั้น จะเป็นเหมือนน้ำเย็นราดรดดวงใจของเขาให้รอความขนองเวนถ้าเขายังไม่ถึงกับอาพับอับวาสนาจริงๆแล้วเขาจะได้สำนึกผิดชอบช่วยดีในขณะจิตที่เย็นลงนั้นอาจได้สติแล้วเลิกเวนเสียก็ได้ประการที่3การทำความดีรุดหน้าเป็นวิธีช่วยตัวเองอย่างดีที่สุด คนบางคนพอรู้ว่ามีความมุ่งร้ายเลยเลิกทําความดีจะเป็นการเล่าเรียนหรือการทํางานใดๆก็แล้วแต่ถือว่ามีคนมุ่งร้ายแล้วเลิกทําความดีเสียทําอย่างนี้เป็นการให้โอกาสแก่คู่เวรผู้มุ่งร้ายเหมือนเสือไล่แล้วเราหยุดวิ่งก็เท่ากับให้โอกาสแก่เสือที่จะคมําเราเร็วเข้าถ้าที่ถูกแล้ว เราจะต้องทำความดีคืบหน้าอย่างไม่ลดละเลยความดีที่เราทำนั้นนอกจากทำให้เราดีขึ้นแล้วอีกมุมหนึ่งโน่นเกียรติคุณความดีของเราจะเข้าไปทิมแทงดวงใจของคู่เวรยิ่งเห็นเราทำดีมากแกยิ่งจะหมดแรงดิ้นพลาดๆไม่เป็นท่าดูแต่พระเทวทัตนั่นเถอะใครเอาพระคุณของพระพุทธเจ้ามาเล่าให้ฟัง หรือชั้นสุดแม้แต่เห็นคนที่เดินผ่านไปเฝ้าพระพุทธเจ้าหัวใจเทวทัตแทบระเบิดออกเป็นสิ่งเสียงและตอนที่พระเกียรติคุณของพระพุทธองค์ระเบือลือลั่นครอบคลุมทั่วเจ็ดแคว้นเทวทัตทนไม่ไหวจริงๆเทวทัตผู้น่าสงสารกรากเลือดออกมาและก่อนที่ชีวิตท่านจะสู่อวสาน ท่านก็ประกาศจบเกมการจองเวนกับพระพุทธเจ้าผู้ทรงชนะคู่เวนอย่างงดงามด้วยการไม่จองเวนตอนถอนพยาบาทวกเข้าไปหาอุปกิเลสเสียอีกทีท่านที่ศึกษาพุทธศาสตร์เมื่อปีกลายได้ทราบจากพุทธศาสตร์ฉบับฉลอง25พุทธศตวรรษแล้วว่า พยาบาทเป็นเสนีย์เจนไรแก่ผู้ผูกพยาบาทอย่างไรไม่ว่าจะดูในแง่มุมใดไม่ว่าจะดูด้วยสายตาของชาวโลกหรือสายตาของผู้ปฏิบัติธรรมจะเห็นได้ว่าไม่มีความดีใดๆเลยอยู่ในความพยาบาทเนื่องจากการผูกเวรกับผูกพยาบาทมีสมุดฐานจากความแค้นเคืองใจด้วยกันแม้จะต่างกันบ้างในทางเจตนาและพฤติการ วิธีปฏิบัติเพื่อถอนพยาบาทออกจากใจก็คล้ายๆ ก, กันกับวิธีระงรับเวรหยุดคิดปองร้ายเขาเสียแผ่เมตตาให้คนที่เราพยาบาทหรือผู้พยาบาทเราและทำความดีไม่หยุดหยัง